ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องนรกสวรรค์ที่เห็นได้จริงๆโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่14มีนาคม2535นะพุทธสถานสติอสุขขอเช้ท่านติตาท่นฟังได้นะบัดนี้ ท่านพู้ยังไฟดีอยู่ทั้งหลายแล้วพวกเราก็ฟังทำกันเพื่อเอาไปปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติกันลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆการฟังทำที่ลึกซึ้งขึ้นไปเป็นลําดับลําดับลําดับทําให้เราเข้าใจระดับนะระดับของความยากความง่ายความสูงความต่ํา และเราก็รู้เป็นขั้นเป็นตอนซึ่งความเป็นลําดับของศาสน า, าพุทธนบุญเจ้าท่านตรัสลึกซึ้งมากาท่านบอกว่าศาสน า, าของท่านนี่มีความลาดลุ่มเป็นลําดับอย่างน่าอัศจรรย์เพราะว่ามันลาดลุ่มไม่ใช่ว่าลาดลุ่มไปเรียบรียบง่ายๆมันซับซ้อนนะแต่มันลาดลุ่มจริงๆลาดลุ่มไปเป็นระดับเนียนสุดขุมประณีตละละเอียดในตัวของมันเองเยอะซับซ้อน ย้อนไปย้อนมาในตัวเขาเองจะต้องได้สภาวะรองรับแล้วก็จะต้องได้ประโยชน์เสริมหนุนให้แน่นให้แน่นให้มัน่นให้คงขึ้นมาจนกระทั่งจะต้องเกิดสภาพใหม่อะไรขึ้นมาเป็นลําดับลําดับลําดับอะไรเนี่ยมันซับซ้อนซ่อนเชิงมากทีเดียวนะแล้วก็เรื่องที่ปฏิบัติเนี่ยอาตมาจะวันนี้จะไขความถึงเรื่องคติต่างๆให้ฟังบ้างคําว่าคติ ซึ่งหมายความว่าการดำเนินไปมันเป็นกรรมหรือว่านพฤติกรรมนะเป็นเป็นตัวที่กำลังดำเนินสิ่งที่กำลังเกิดเหตุการณ์ที่กำลังเกิดอยู่เหตุการณ์หรือว่าพฤติพฤติกรรมกิริยาใดๆที่กำลังเกิดอยู่จะเป็นกายกรรมวจีกรรมก็ตามากายกรรมวจีกรรมเราก็พอรู้ชัด มโนกรรมเนี่ยเรารู้กันได้ยากแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจฟังดูดีๆเนี่ยเราจะเข้าใจสภาพเขาเมาคตินี่ดีทุกคติมันอยู่ไหนคติก็คือตัวที่กําลังดําเนินอยู่คติขตอกาลังดําเนินไปอยู่กําลังมีบทบาทกําลังมีลีลากำลังมีทีท่ากําลังมีอิริยาอิริยาหรือว่ากิริยาอิริยาหรือกิริยาหรือพฤติหรือตัวประพฤติตัวบทบาทตัวลีลาของมัน จะเป็นตัวสําคัญก็อยู่ที่ตรงจิตเพราะฉะนั้นตัวที่ชี้ว่าเป็นสุขคติทุกคตินะั่นมันคือที่ตุจิตทุกกแปลว่าชั่วแปลว่าไม่ดีแปลว่านรกสุ ก, ก็แปลว่าดีแปลว่าสวรรค์แปลว่าเจริญสุขคติก็เจริญทุคติก็ต่ําก็ตกต่ำนะคนเราไม่ได้สังเกตที่ จิตที่ใจตัวเราเองเพราะงั้นเมื่อไม่สังเกตมันก็ไม่ได้แก้ไขที่ตรงนั้นที่ได้พูดได้ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นปรมาตธร ร, รรมจริงๆแล้วได้ฝึกซ้อมอ่านกายกรรมว จ, จีกรรมอ่านการกระทบสัมผัสเมื่อเราได้เกิดการสัมผัสแล้วเราก็จะเกิดรับรู้ที่จิตจิตมันจะปรุงเร็วปรุงไปเลย มันจะปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดีจะปรุงเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงอะไรก็ตามใจเถอะมันจะปรุงไปตามที่เรามีอํานาจอยู่ในตัวของจิตนั่นแหละไม่กิเลสอําอนาจที่ตัวอยู่ในตัวของจิตเนี่ยเป็นกิเลสมันจะจัดการไว้ทีนี้นักปฏิบัติธรรมนียจะต้องไว้ด้วยไว้ที่จะต้องเข้าไปอ่านจับที่จิตพอสัมผัสแต่ต้องแล้วเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์เป็นพอสัมผัสแต่ต้องแล้ววิเคราะห์ที่จิตพับเลย ดักให้รู้ว่าเรากำลังมีอาการนั้นน่ะมันประกอบไปด้วยจิเลตโลภโกรธหรือไม่หรือว่าเราหลงหรือไม่อ่านจริงๆเลยถ้าผู้ใดสามารถที่จะจับกิริยาของตัวเองได้กิริยาที่มันเกิด น, นั่นแหละคือคติกิริยาที่กำลังเกิด น, นั่นแหละคืออิริยาคือพฤติ คือตัวลีลาอาการของมันอาการของจิตแล้วอาการของจิตเหล่านั้นน่ะมันมีตัวโลภตัวโกรธเข้าไปร่วมด้วยหรือไม่เช่นว่าเราว่าผู้อื่นว่าใครก็แล้วแต่ว่าเขาด่าเขาในขณะที่เราว่าเขาในขณะที่เราด่าเขาเนี่ย เราว่าเขาเราด่าเขานี่ลักษณะตำหนินั่นเองตำหนิติเตียนเขาแล้วเราตำหนิติเตียนนั่นนะ่ะอาการของจิตของเรานะ่ยมีกิเลสเข้าไปร่วมว่ามันโกรธมันมีตัวโกรธเข้าไปไปร่วมประกอบกันไอ้ตรงที่ว่าเขาตำหนิเขานะ่ะด่าเขานะ่ะจะดา่าหนักด่าแรงจะว่าแรงว่าเบาอะไรก็ตามใจเถ อ, อะบางคนนะ่ะว่าเบาเบาว่าเพราะเพราะด้วยนะแต่โกรธ ตัวโกรธนั่นแหละ <Yeah. S 1> อยู่ในใจของเรานี่ยแหละไม่ว่าได้โกรธว่าได้ชังว่าได้โกรธว่าได้ชังนะชังเกลียดโกรธชังประกอบร่วมกับการว่าออกมาทางวาจา ว, ว่าได้เพราะนัประดิษฐ์ภาษาได้ดีนัแต่ใจในโอโหกิเลสเข้าไปร่วมประกอบนั่นล่ะคือตัวกําลังเกิดบทบาทลีลาคติ ในขณะนั้นเรียกว่าเราทําด้วยโทสาคติตัวโลตัวโกรธหรือว่าตัวชังตัวเกลียดนี่มันคือโทสะมูลทั้งนั้นเรากําลังทําด้วยโทสาคติคือมีอคติอคติก็คือว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ควรจะดําเนินไปอย่างนั้นมันไม่ควรจะทําอย่างนั้นอ่ะมันไม่ควรจะให้เป็นเกิดอย่างนั้น อคติแต่เราก็ทําแต่เราก็เกิดโดยมีโทสะนี่เข้าไปร่วมกับการเกิดการดําเนินไปการเป็นไปนั้นก็เลยเป็นโทสาคติเอาละเราไม่พูดไม่ปแปลเป็นไทยมึงก็บอกว่าอาคติแปลว่าลำเอียงไม่ต้องพูดมันเอียงแน่ถ้ามีโทสะมากๆแล้วมันก็เอียงเข้าข้างตัวที่อยากจะให้เป็นอยากจะให้ได้มากแหละ ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องอธิบายขณะนี้อาตมา ก, กับเรจะอธิบายปัจจุบันธรรมก็ลเราจะชี้นรกสวรรค์ให้คุณเห็นทนโทษโทษสาคติที่เป็นคติหรือว่า ต, ตัวที่กำลังดำเนินเกิดขึ้นอยู่นั้นฟังดีๆตามอาการตามสภาพให้ ด, ดีๆนะมันเป็นอคติมันเป็นคติที่ไม่ควรจะดาเนินไปแต่คุณก็ดำเนินไปแล้วเกิดกิริยานั้นแล้ว คุณก็เป็นทุกขติแล้วคุณก็เป็นนรกแล้วคุณก็เป็นความต่ําแล้วเกิดแล้วเป็นแล้วนรกเกิดอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอยู่ที่ใครเป็นเป็นเดี๋ยวนี้แล้วก็สั่งสมพอคุณทําบทบาทนั้นเกิดจริงเป็นจริงลีลานั้นอิริยานั้นพฤตินั้นเกิดจริงเกิดในจิตเป็นโทสะดําเนินโทสะเกิดขึ้นไปเลยร่วมกับการด่าการว่าการติมิติเตียนอะไรก็ตาม เกิดในตอนนั้นเมื่อเกิดจริงมันก็คือเกิดจริงคุณจะมาโกหกว่าไม่เกิดไม่ได้นอกจากคุณไม่รู้เพราะงั้นใครสามารถอย่างรู้อ่านรู้ของตนเองได้คนนั้นตาทิพตตาทิพเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ตาทิพแล้วก็เอาผ้ามาผูกตาแล้วก็มองเห็นในโน่นนี่ได้แค่นั้นนี่ยู่เรื่องอย่างนั้นในเรื่องเดราาัจฉานวิชา ก็เป็นตาทิพย์นะก็เป็นสิ่งพิเศษเหมือนกันแต่พิเศษแบบเดรัชานวิชาแต่ตาทิพย์ของพุทธนี่คืออย่างงี้เห็นนรกอย่างงี้เนี่ยตมากาลังชี้นรกแล้วนะไม่ใช่ น, นรกที่หลอกลวงอยู่บนดินใต้ดินขุดเขไปหาไม่เจอที่ไหนหรืว่าแต่มันเป็นของอาการต่ําเป็นเรื่องต่ําเรื่องไม่ดีเรื่องเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้มันเป็นโทสาโทสะเกิดและมันก็เกิดจริงดําเนินไปขณะที่กําลังดําเนินปนริยับทคือคติ มันกำลังเป็นคติกําลังดําเนินไปคติขโตขตาก็ตามเถอะมันกําลังดําเนินบทบาทเกิดนั่นแหละเกิดจริงเป็นจริงนั่นแหละแล้วมันก็เป็นทุกขติถ้าโทสาคติก็ดีฉันทาคติก็ดีโมหะคติก็ตามคติพวกนี้หรือพยาคติก็ตามคติที่มันดาเนินไปโดยที่ไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์นี่แหละเราจะต้องแก้ไขเดีนั้นถ้าใครอ่านรู้ทันปั๊บแก้เลยนั่นคือการปฏิบัติธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรม เปลี่ยนนรกเดี๋ยวนี้เลยหยุดนรกเดี๋ยวนี้เลยอย่ามีโกรธอย่ามีชังอย่ามีเกลียดแก้เดี๋ยวนั้นคุณปิดนรกเดี๋ยวนั้นถ้าคุณแก้ได้แต่ถ้าคุณแก้ไม่ได้ผ่านไปมันก็เป็นเป็นแล้วเป็นไงก็สั่งสมเป็นวิบากสั่งสมจริงนะคุณจะมาแก้ตัวว่าฉันไม่ได้ทําไม่ได้ยิ่งไม่รู้เลยทําไปแล้วจนกระทั่งมันหยุดไปแล้ว มันก็สั่งสมแล้วใส่กระป๋องปิดเรียบร้อยแล้วผนึกตีตราแล้วเป็นนรกแล้วสั่งเป็นวิบากแล้วสั่งสมเป็นวิบากแล้วทุกขติแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเดี๋ยวนี้แล้วคุณก็ได้ไปแล้วต่อไปในอีกข้างหน้ามันก็อยู่ในกระป๋องของคุ ณ, คณเป็นกรรมทายาโทเป็นมรดกของคุณคุณเป็นทายาตรับมรดกของกรรมของคุณไปกรรมมันเลวตามกันอันต่ำอัน ย, ยาบมากยาบน้อยก็ตามจริงของคุณนั่นแหละ คุณโกรธมากเกลียดมากมันก็ยิ่งหยาบมากมันก็ยิ่งทั่วมากต่ํามากของคุณนั่นแหละกิเลสนั่นแหละจริงๆก็คือกิเลสนั่นแหละเป็นจริงของคุณตรงนั้นตรงไหนก็ตรงนั้นน่ะเมื่อไรก็เมื่อนั้นบัตรใดก็บัตรนั้นเห็นนรกกันมังอย่างนี่แหละรเรียกว่าทุกขติทุกขตินี่แปลว่า น, นรกและต้องเห็นที่ตัวเราเองตอนเองทําเมื่อใดเกิดเมื่อใดเมื่อนั้น จะหยุดนรกก็หยุดตรงนี้ถ้าคุณสั่งสมความหยุดสั่งสมทำไมให้มันเกิดได้มันก็หยุดนรกได้เรื่อยๆๆๆข้างหน้ามันก็ไม่มีนรกสั่งสมวิบากก็ไม่มีหยุดได้เร็วเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นหยุดได้ดีเร็วเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นจนกระทั่งหยุดไปมันจะไม่เกิดเลยจะติก็ติจะตําหนิก็ตําหนิจะด่าก็ด่าได้พูดภาษาแรงๆอาตมาก็เคยพูดพระพุทธเจ้าก็เคยพูดว่าโอ้โหตำยาบช้า ลวขนาดนั้นท่านก็ว่าถ้าเป็นคนไทยคนซามคนไอเอนีท่านก็ว่าตามภาษาที่ควรจะว่าจะด่าแต่ท่านเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทําไม่มีทุกขติพวกนี้ไม่มีนรกพวกนี้ไม่มีบาปไม่มีเวรพวกนี้แน่แต่จะว่าก็ว่าโดยมีสติรู้แล้วเราก็จะต้องรู้ว่าว่าอย่างนี้เป็นการเป็นการว่าโดยการปรุงโดยการสร้างภาษา สร้างกลีลาให้เกิดสักด์แต่ว่าให้เกิดเพื่อประโยชน์ของผู้นั้นไม่ได้บำเรออารมณ์ตนไม่ได้เกิดกิเลสของตนแล้วก็สะใจตนเองแหมได้ด่ามันมันหัวใจเกลียดเกมันนักชังมันนักด่ามันสัหน่อยอะไรอย่างนี้มันมันมันก็ได้ด่าแล้วมันก็มันหัวใจไม่มีไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะงั้นถ้าผู้ใดได้ปฏิบัติธรรม แล้วก็ได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติอ่านจิตอ่านใจอย่างที่อาตมาอธิบายไปนี่ใช้ภาษาไทยคิดว่าง่ายนะไม่ได้ยากเย็นอะไรฟังตามดีๆนะถ้ายังไม่ทันเมื่อกี้นี้ฟังไม่ชัดก็เทปนี้อัดเอาไว้แล้วก็เอาไปฟังใหม่ฟังฟังซ้ําดีๆจะได้เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมที่แท้นะ่ะเป็นอย่างนี้แล้วมีลําดับนะลำดับก่อนหลังถ้าคุณเองคุณเกิดโกรธขึ้นมาแล้วแล้วคุณก็ด่าไปก็โกรธนะั่นเอง แล้วก็ไม่รู้ตัวปล่อยให้มันโกรธไปจนกระทั่งคุณก็ไม่รู้ตัวจนกระทั่งจบสแสดงว่าโกรธนั้นคติคือดำเนินไปจนเต็มรูปเต็มรูปแล้วเสร็จยังโมหะยังไม่รู้ตัวยังหลงผิดยังนึกว่าเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นอวิชชาไม่รู้ตัวโง่ตัวเองโง่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองก็ได้ได้ดเนินไปหรือว่าได้สั่งสมนรกแล้วได้สร้างความเป็นทุกขคติความเป็นนรก ความเป็นความต่ําความเป็นความไม่ดีใส่จิตวิ ญ, ญญาณเป็นวิบากทางจิตวิ ญ, ญญาณแล้วก็ไม่รู้ตัวทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราพอตอนแรกเราไม่รู้พอทําไปแล้วอา้าวเราเกิดได้ปฏิบัติทำรรนี่นอะเราก็เกิดมีสติสัโพชงโอ้วิจัยอ่านออกแค่รู้ตัวรีบระ ง, งับรีบพยายามแก้ไขตัวเราเองในปัจจุบันนั้นทันทีทําทันทีคุณก็ไอ้ที่ทาไปแล้วก็ตรงแล้วไอ้ที่ทาไปแล้วมันก็ด่างไปหน่อยนึงแล้ว ที่คุณยับยั้งมันได้มันก็จะหยุดได้ถ้ายับยั้งมันด้วยมีวิธีมีความสามารถสมถภาวนาหรือว่าวิปัสนาภาวนาที่คุณฝึกฝึกซ้อมสามารถยับยั้งมันได้มากมันก็ได้มากยับยั้งมันได้น้อยก็ได้น้อยยับยั้งไม่ได้เลยเสร็จมันยับยั้งอยู่เหมือนกันนะแต่สู้ไม่ได้เลยเสร็จมันคุณก็เสร็จมันแสดงว่าอินทรีย์พราของเราอ่อนแอไม่แก่กล้า สู้อำนาจของกิเลสสู้อำนาจของความโกรธความโทสะอะไรไม่ได้ยิ่งไม่ได้เรียนเลยคิดดูสิทั้งโลกเขาไม่ได้เรียนหรอกคนทั้งโลกนอกจากจะไม่ได้เรียนแล้วยังบอกว่าอย่างนี้มันก็ต้องโกรธใช่ไม่โกรธได้เหรอแนะอย่างนี้ซะด้วยนะ <c oughs> เขากลาบอกว่าไม่โกรธก็ผิดไปละอย่างงี้มันต้องโกรธที่ธรรมดาคนต้องโกรธอาใช่คนคน่ะคนคนคน่ะปุถุชนก็ต้องโกรธ แต่ทางอริยะจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เป็นอันขาดทางผู้ที่ภาคเพียรทางวิมุตต์ทางโรกุตระจะมาแก้ตัวอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดบอกว่าถ้ามันโกรธต้องรู้โกรธและต้องระ ง, งับต้องสู้มันให้ได้สู้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันระ ง, งับไม่ได้ก็ต้องห่างพลากงออกไปพยายามที่จะต้องยอมรับตัวเองว่าโกรธไม่ดี ไม่ใช่ว่ายิ่งต้องโกรธต้องโกรธต้องเอาสิถ้าคือไม่โกรธมันก็ไม่ใช่คนดิอ๋อแย่เลยถ้าอย่างนั้นภาษาโลกเขาไม่ได้ไม่โกรธมันก็ไม่ใช่คนดิแบบนี้มันตรงนี้มันต้องสมควรโกรธละอย่างนี้ต้องสมควรโกรธไม่เราไม่เอาเาภาษานี้นั่นเป็นภาษาของชาวโลกเขานะไม่ต้องโกรธรู้ดีให้พอรู้ว่ามันไม่ดีเขาทําไม่ดีเออไม่ดีก็ไม่ดีไม่ดีแล้วเราจะยังไงกันล่ะเราจะว่าก็ว่าโดย เข้าใจว่าจะว่าควรจะว่าอย่างไรมีสัปริสธรรมเจประการประมาณให้ดีเลยว่าเออควรจะว่าคนนี้จะจะว่าได้แรงไหมจะว่าแรงจะดีไหมบางคนนี่ว่าแรงไม่ได้บางคนต้องว่าเบาบางคนต้องว่าแรงอ่ามันมีโอกาสมีขณะมีองค์ประกอบไม่เที่ยงไม่แท้เลยคนนี้บางทีเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยเราว่าแรงได้บางครั้งนี่ตอนนี้ว่าไม่ได้องค์ประกอบว่าวแรงไม่ได้บางทียังผิดคิวเลย เนื่องว่าคนนี้เคยว่าแรงได้นะแต่พอตอนนี้ว่าแรงอ้าวไม่ได้ฮะไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะผิดคิวและผิดเรื่องละนั่นมันผีเข้าผีออกเลยคนเราเนี่ยมันไม่ได้เที่ยงในแท้อะไรนะเพรา ะ, ะนั่นบอกว่าต้องดูแหม่ต้องดูทิศทางลมต้องดูอาการต้องดูองค์ประกอบดูกาละต้องดูกาละดูบุคคลดูประมาณเนื้อหาสาระอะไรตัง้งไม่ใช่น้อ ย, อยเลย เมื่อเราจะติดเตียนกันจะตำหนิกันจะว่าจะกล่าวกันหรือว่าจะชมจะชมก็ตามาจะชมจะเชยจะอะไระอะไรก็ตามอาการจะเป็นความยินดีหรือไม่ยินดีถ้าโทษาคติก็ความไม่ยินดีถ้าฉันทาคติก็ความยินดีความยินดีก็สังสมกิเลสในตัวเองเหมือนกันสังสมอาการที่เราติดใจยินดี มาติดใจมันยินดีถ้าเป็นกิเลสโลกโลกฉันทาคติยินดีเพราะเขาเป็นผู้ที่เราชอบอชอบอย่างไรชอบอย่างราคะชอบอย่างกามชอบอย่างโลกโลกอชอบว่าเป็นผู้ที่เรารักเราต้องการมาสัมผัสแตะต้องสมสู่นี่ก็เรื่องผู้หญิงผู้ชายเลยเราชอบเพราะอันนี้มันสวย มันเป็นรูปสวยกับทางตาทางรูปอันนี้เราชอบเพราะว่ามันเพราะทางหูอันนี้มันมชอบเพราะทางทวารในใดทวารหนึ่งทางทวารหาอะไรก็ตามเราชอบแล้วเราก็ดำเนินไปได้วยการชอบดำเนินไปจะชมจะชื่นอะไรก็พูดไปแล้วก็มีอาการมีอารมณ์ชอบสั่งสมกิเลส ต, ตัวนั้นเสริมเข้าไปก็ซึมซับเข้าไปในจิตมันก็เป็นการดาเนินไป มันเป็นก็เป็นคติที่รับเอาไอ้ตัวชอบนั้นละโดยเฉพาะยิ่งเป็นกามหรือเป็นโลกธรรมยิ่งเป็นอบายามุกก็ยิ่งเละใหญ่ไปชอบอาบายามุกไปชอบสิ่งที่มันไอเรื่องมันไม่น่าจะไปชอบเอาเลยอะ่ะยิ่งเป็นเรื่องยาบๆตำตๆที่มันเลิกมาได้แล้วก็ไม่เลิกลก็ยังไม่ยินดีพอใจไปชื่นไปชอบสั่งสมเป็นฉันทาคติ ซึ่งเป็นคติที่ไม่น่าจะดําเนินไปหรือคติอคติคือไม่น่าดําเนินไปไม่ควรจะดําเนินไปอย่างนั้นไม่ควรจะให้จิตของเรามีอาการอย่างนั้นสั่งสมลงไปแม้จะด้วยฉันทะยินดีหรือแม้จะด้วยโทสาโทสะแม้จะด้วยโมหะแม้จะด้วยพยาเกรงกลัวอะไรก็ตามนะพยาคติมันเป็นภยัยที่จริงพยาก็คือภยัยเราก็ไม่น่าจะต้องให้มันเกิดอคตินี่คือไม่น่าให้เกิด พระนัการปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติสิ่งที่ไม่น่าให้เกิดเราก็ทําให้ไม่เกิดได้ระงรับได้หยุดได้โดยรู้อาการของมันแท้ๆถูกตัวถูก ต, กตนมันเลยนั่นแหละเรียกว่าตัวอัตตาตัวตนของกิเลสเรียกว่าส ก, กายะทำมันหยาบถ้ามันไม่หยาบก็เรียกวอัตตาถ้าเรื้อนน้อยๆก็เรียกว่าอาสวะเรือละเอียดเป็นอนุสัยกิเลสอนุกิเลสหยากกิเลสกลางกิเลสละเอียด แล้วจับตัวจับอาการมันได้แล้วก็ทําให้มันระ ง, งับได้หยุดมันได้จริงนั่นนเป็นของจริงเป็นปัจจุบันธรรมสวรรค์ก็เห็นสวรรค์แท้ด้วยนะระกิเลสแบบนี้อ่ถ้ามันสมใจอยากมันสะใจที่โกรธแล้วก็ได้ด่าได้ตำหนิสมใจที่เราโกรธเราไม่ชอบเราลิษยาเราพยาบาทแล้วก็ได้หว่าวออกไปสมใจที่เราได้ ว่าได้พยาบาทได้โกรธได้ริษยาได้ระวาสมใจมันก็เกิดประทับใจมันก็สั่งสมลงไปเป็นคติอ่าเป็นคติชอบใจชื่นใจมันก็สั่งสมลงเป็นวิบากที่แท้ดาเนินไปโดยการสั่งสมวิบากเห็นไหมเข้าใจไหมเคยเป็นไหม เคยทุกคนเคยทุกคนระลึกดูเถอะบุเพนิวาสานุสติให้เกิดยานดูเถอะเคยทุกคนยาวกลางละเอียดมีทั้งนั้นเน่ยเราเคยมาทั้งนั้นเพราะงั้นย้อนทวนดูแล้วจำมาไว้เมื่อใดเมื่อใดที่เราจะไปปฏิบัติทําตามหลักของพระพุทธเจ้านี่แล้วเราจะมีปรมัตตธรรมมีฌาน มีการเพ่งมีสติสัมโพชงมีธรรมวิจัยสัโพชงวิจัยให้ไววิจัยให้ทันเป็นมุทุภูเตกรรมณิเยเป็นมุทุธาตุเป็นธาตุที่รู้แววไวรู้แล้วก็ดัดมันปรับมัน อ, อย่าให้มันเกิดทุกคติลดมันหยุดมันให้ได้ทําได้เท่าไรธาตุมุทุธาตุนั้นก็เรียกว่าเป็นธาตุที่รู้ก็เร็วดัดมันปรับมันก็ได้ไวไวขึ้นเท่าไรก็ยิ่งดี เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเป็นกรรมนิยกรรมนิเยมันก็จะเกิดบทบาทของอิรียบทิริยหรืออิรียบทิหรือพฤติหรือการกระทานั้นๆมางทีก็กระทำอะไรขึ้นไปเนี่ยดีจะไม่ลําเอียงจะไม่เข้าข้างตัวจะไม่เข้าข้างใคระจะเป็นตัวตรงตัวสัจจะเพราะไม่มีอำนาจกิเลสเข้าไปเป็นตัวแปร ไม่มีกิเลสทั้งรักทั้งชังเข้าไปเป็นตัวแปรและก็ไม่มีโมหะด้วยไม่มีความหลงผิดหลงทัของหก้นขิดอะไรไม่หลงไม่เลอะไม่เลื่อนไม่ลืมไม่หลงไหลชัดเจนทำได้ตรงเท่าไหร่ทำได้ถูกต้องเท่าไหร่ก็เป็นคติที่ดีเป็นสุขคติเป็นสุขคติดำเนินไปดีพระอนาจนทรย์ถึกแปลสุขโตว่าู ด, ดําเนินไปดี ตถาคตพระพุทธเจ้าท่านดําเนินไปดีแล้วตลอดเวลาตถาคตพพุทเจ้าเนี่ยดำเนินไปดีตลอดเวลาเมื่อใดเมื่อใดท่านยังเกิดอยู่พระพุทธเจ้าที่เป็นพระตถาคตในขณะที่ท่านมีตัวจริงมีของจริงตถะนี่แปลว่าความมีจริงเป็นตัวแท้ตถาเนี่ยตถาคตก็คือผู้ได้ดําเนินไปดีแล้วอาก ตถาบุคคโตหรืออาคโตดําเนินไปดีแล้วโดยจริงมีจริงพระพุทธเจ้าทุกวันนี้เราไม่เรียกว่าตถาคตเราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าในขณะที่พระพุทธเจ้ายังมีตัวตนอยู่เราเรียกว่าตถาคตตถาคตมีของจริงอยู่มีตัวตนจริงอยู่แล้วท่านก็ดําเนินไปจริงอยู่ตลอดเวลาท่านเป็นตัวแท้ตัวจริงเป็นตัวสัจเป็นตัวจริงดําเนินไปอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้ท่านสิ้นไปแล้วปริณิพานไปแล้วไม่มีตัทธะตัวนั้นแล้วไม่มีของแท้ไม่มีของจริงอันนั้นแล้วมีแต่ตำรามีแต่ประวัติมีแต่ประวัติมีแต่คำสอนมีแต่ลหลักฐานเดิมเป็นตำนานเป็นนิทานที่เราจะเอามาเล่ามาลือแล้ว เ, เอามาเรียนตามประวัติเดิม ท่านเป็นอย่างไรท่านทําอย่างไรแล้วก็ามาเรียนตามท่านเป็นอย่างนี้เราจะทําให้เป็นอย่างท่านบ้างเรียนเรียนแล้วก็ทําให้มันได้สั่งสมไปเรื่อยๆตามท่านไปเรื่อยๆืๆเราก็ให้มันเกิดสุขโตให้มันเกิดสุขโตหรือให้เกิดสมมคิโต ให้เกิดสมรรถโตให้ดำเนินไปให้มันลงรูปลงร่องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นอย่างนี้ให้จริงนั่นคือสั่งสมสวรรค์สั่งสมสัจจะสั่งสมกรรมกิริยาสั่งสมสิ่งที่จะให้มันเกิดมันเป็นจะเป็นทางกายหรือเป็นทางวาจาโดยเฉพาะทางจิตอ่านจิตให้ชัดจับจิตแล้วก็ปรับจิตอย่างที่อาตมากล่าวนี่แหละ ผู้มั่นใจเห็นแจ้งเห็นจริงคุณจะรู้นรกคุณจะรู้สวรรค์เราสั่งสมสวรรค์หรือเราสั่งสมนรกเราจะรู้ของจริงโดยไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครมาที่ได้นั่งดูหมอว่าอะไรอยตายแล้วจะไปสวรรค์ตายแล้วก็ขอให้สู่สวรรค์นะไม่ต้องขอขอเอาให้ตายมันก็ไม่ได้ถ้าคุณไม่ดําเนินไปถ้าคุณไม่ทําให้มันเป็นถ้าคุณทําแล้วนะใส่คะแนนของคุณเองได้ว่าโอ้เรานี่สมสวรรค์ สะสมสุขโตสะสมสิ่งที่มันดีดำเนินไปดีตลอดเวลายิ่งจับจิตยิ่งมีสติสัพพัญญารู้ตัวทั่วพร้อมวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ละนาทีแต่ละวินาทีเราก็มีตัวรู้อารมณ์รู้จิตรู้ใจเราไปตลอดเวลาจะได้ทำงานทำการจะได้กระทบสัมผัสจะได้สังสรรค์กับใครกับใครก็แล้วแต่ตาหูจมูกดินกายใจ กระทบยังไงเราก็รู้เท่าทันจิตของเรามีมุทุภูตธาตุมีมุทุภูเ ต, ร ต, ตกรรมนิเยธีเตแข็งแรงมัน่นคงตั้งมัน่นแล้วก็แวววัยอ่านปรับเปลี่ยนเป็นฌานทั้งรู้ทั้งเพ่งเผากิเลสไปได้เรื่อย ๆ, ๆคุณก็สั่งสมสิ่งดีนี้ไปได้โดยคุณปฏิบัติธรรมมีสภาวะรองรับมีตาทิปรู้แจ้งเห็นจริงสวรรค์รู้แจ้งเห็นจริงนรก รู้แจ้งเห็นจริงการดำเนินไปของบทบาทปรมัตทศสัจจ์บทบาทของจิตเจตสิกว่าเราได้จัดแจงทำลายกิเลสให้เราจเจริญสู่สวรรค์ดำเนินเป็นอุบัติทเทพเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปได้จริงๆหรือไม่อย่างไรเทตมาพูดเป็นภาษาให้คุณฟังนี้ถ้าคุณเข้าใจดีนะ คุณจะเถียงอาตมาไม่ได้และคุณจะมั่นใจในนรกในสวรรค์คุณจะรู้แจ้งในนรกในสวรรค์โดยภาษาที่อาตมาบอกเนี่ยสวรรค์คือแดนที่จิตวิญญาณอยู่หรือจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณอยู่ไหนล่ะมันอยู่ตรงนี้หัวใจหรือว่ามันอยู่ตรงสมอง มันอยู่ตรงไหนล่ะในตัวเราเนี่ยเราจับมันไม่ถูกอะว่ามันจะอยู่สมองมันจะอยู่หัวใจมันจะอยู่ที่ฝ่ามือมันจะอยู่ที่ใบหน้ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันเถอะแต่เรารู้อาการของมันละอาการของมันเนี่ยอาการมันกิเลสพกอวิเคราะห์ออกข่ากิเลสได้ลดกิเลสได้ก็ทำได้เกิดการดำเนินไปดีเป็นสุขโตสุขติสุขโตเกิดการเป็นสวรรค์เป็นเทวดา ทำให้เกิดทางจิตเป็นโอปปาติกาโยนิให้เกิดทางจิตจิตมันเกิดจริงๆเลยนะเกิดชั่วคราวเกิดแข็งแรงเกิดจนกระทั่งอย่างชานานเกิดจนกระทั่งกิเลสไม่เกิดเลยเกิดจนกระทั่งเกิดแต่เสวตเทวดากิเลสไม่มีทางแทรกแซงผีไม่มีทางแทรกแซงเข้ามาเลยแทรกเข้ามาไม่ได้เทวดาแข็งแรงเทวดาชนะคุณก็จะรู้จะเห็นของคุณเอง เทวดาแปลว่าอะไรจิตวิญญาณในลักษณะที่เป็นอาการอย่างนั้นเรียกว่าอาการเทวดาจิตวิญญาณลักษณะนี้เรียกว่าอาการของผีอาการของกิเลสอาการของสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นโทสะเป็นโลภะเป็นราคะเป็นโมหะอาการอย่างไรคุณวิเคราะห์วิจัยออกด้วยญาณปัญญา แล้วก็เห็นอาการมันจริงๆเลยคุณมีตาทิพย์จริงๆมันเป็นอัตตานะ่มันเป็นตัวตนที่รู้ได้โดยอาการลิงคณิมิตเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้โดยยานเป็นรูปที่ตรู้ได้โดยนามก็คือยานของเรายานทัศนวิเศษของเราอ่านออกรู้ได้ มัฝึกไปยิ่งฝึกยิ่งชำนาญยิ่งฝึกยิ่งชำนาญยิ่งฝึกจิงรู้ยิ่งฝึกยิ่งจริงคุณก็จะไม่หลงระเริงไปว่าเราจเรียหรือไม่จเจริญเราได้ผลหรือไม่ได้ผลเราสูงแค่ไหนไม่สูงแค่ไหนเราดับกิเลสฆ่ากิเลสได้แค่ไหนสู้ได้แค่ไหนเกิดการสั่งสรรค์กับคนทั้งกลางนอกทั้งขลางในมันก็อยู่ตามธรรมชาติคนเราก็ต้องสัมพันธ์ สัมพันธ์กับคนทางข้างนอกก็สัมพันธ์สัมพันธ์กับคนนักปฏิบัติทำช า, ชาวเราในนี่ก็สัมพันธ์แล้วเราก็จะรู้ว่าเออถ้าเราไปคบกับพงศชาวข้างนอกก็เป็นอาการอย่างงั้นนะเราก็เกิดกิเลสย่างงั้นหรือไม่เกิดกิเลสย่างงั้นมาข้างในนี่ก็เกิดกิเลสย่างงั้นไม่เกิดกิเลสย่างงั้นมันจะเป็นยังไงอะ่ะคุณก็รู้คุณเองเก็รู้จริงจริงชัดชจริงเลยและจะได้ประโยชน์ตลอดเวลา กระทบกับคนข้างนอกก็เป็นอย่างหนึง่งเขาก็เป็นอย่างเขาเป็นน่ะกระทบข้างนอกคนงเขาก็คนข้างในก็เป็นอย่างหนึง่งแม้แต่คนข้างในก็มีหลายจริตกระทบแล้วก็มีหลายเหลี่ยมหลายลีลาหลายอย่างแล้วเราจะสู้ไหวไหมมัไสู้ไม่ไหวก็ต้องสู้เหวไหวทั้งนั้นแหละ <c oughs> เราเป็นนักปฏิบัติทมแล้วอ่ะสู้ไม่ไหวก็ต้องสู้หไหวไหว และเราก็อยู่กับคนนี่เราไม่หนีไปไหนสวรรค์นรกก็อยู่ที่นี่สวรรค์นร ก, กอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเสด็จลงจากดาววดึงนี่นะท่านลงเสด็จลงจากดาววดึงสอนพระอภิธรรมแล้วเสร็จนี่ลงจากดาววดึงนี่โอ้จะเห็นเลยนี่พอลงจากดาววดึงก็หมายความว่าพอสอนอภิธรรมแล้วนี่นะ เกิดแสงสว่างทั่วล่า ส, สอนเสร็จท่านลงจากดาว่ดึงมาก็แสงสะสทัดส่องทั่วหมายความว่าทุกคนได้รับแสงสว่างนี้จะเห็นโอ้ผีก็อยู่ที่นี่เทวดาก็อยู่ที่นีเน่เธอก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเลย <c oughs> ไอ้เธอที่ว่านี่ยของเราเองอ่ะแหละ เห็นผีก็อยู่ที่เดียวกันเห็นเทวดาก็อยู่ที่เดียวกันแล้วเป็นเ ท, เทวดายังไงเป็นผียังไงก็ของเราเองเราก็จะเห็นว่าโอ้เรานิบยังมีผีอยู่เยอะก็มันอยู่กับเรานี่แหละโอ้นี่เทวดาเธอก็อยู่ที่นี่เดียกันแล้วเออเทวดาและผ่าวเทวดามีน้อยเะด้วยนะมีแต่ผีเยอะเะด้วย <c oughs> คุณก็จะดูคุณเองเนี่ยนะเดี๋ยวว่ารู้วิธรรมมากเท่าไห ก็หมายความว่าเรามีปัญญายานอ่านจิตเจตสิกรูปนิพพานออกได้มากเท่าใดคุณก็เห็นเทวดาไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยบรรยายเป็นภาษาเทเเเรูปธรปปรมเป็นบุคลาธิฐานยังไงแหมไปเขียนรูปเทวดาทุ่งดิ่งมาจากเมืองข้างบนนะนะเป็นแสงเป็นลำมาเลยยังไงก็ตามใจคุณจะเขียนเป็นรูปยังไงมาก็ช่างเนะมันก็เป็นรูปเท่านั้นเอง แต่ถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจโดยธรรมมาทิฐานไม่ใช่บุคลาธิษฐานเข้าใจเป็นเรื่องของธรรมะที่แท้จริงแล้วคงก็จะเห็นอ๋อเราได้รับอภิธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ได้เกิดแสงสว่างสามารถเห็นผีเห็นเทวดาชัดเจนอยู่ด้วยกันนี่แหละถ้าแก้ไขได้จากผีก็เป็นเทวดาเดี๋ยวนี้เป็นโอปปาติกายโญนี้เกิดเดี๋ยวนี้ผุดเกิดเดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ ไม่ไปไหนไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกดับผีตายเทวดาก็เกิดทันทีทันใดซันเดอลทันทีทันใดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนตัวที่ไหนหรอกพุทธเกิดโผล่เกิดที่นี่เห็นได้จริงทำให้ได้จริงๆแล้วคุณก็จะมั่นใจเองไอ้ที่พูดพูพู ด, พ ด, พดไปเนี่ยอธิบายไปเนี่ย พอนึกสภาวะมันออกบ้างไหมได้ทำกันบ้างไหมเนะทำกันบ้างไหมทำมั้งเอเอดีฮะอ่าถ้าได้ทําจริงเราก็จะรู้ว่าเราทําได้หรือไม่ได้จริงถ้าเราทําได้จริงเราก็จเจริญไปปรมาทิคืออย่างนี้ปรมาทิตสัจจะคือจิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างนี้อ่านออกมีรูปที่ ถูกเรารู้อาการลิงคณิมิต ท, ที่ถูกญาณปัญญาเราอ่านออกญาณปัญญาเรารู้แจ้งมันจริงๆรู้อาการรู้อารมณ์ผีอารมณ์โทสะโลภะอย่างหยาบกรางละเอียดยังไง ร, รู้มันจริงๆและมันมามีฤทธิ์ในตัวเราทําให้ฤทธิ์มันลดลงทําให้ฤทธิ์มันจางคลายลงมีมโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจสามารถทําให้มันตายมันฟอมันลดลงให้ได้คุณทําไปได้ลดลงได้คุณก็ปฏิบัติทําได้ จิตก็จะดำเนินไปก็จะเกิดพฤติเกิดอิริยาเกิดกรรมเกิดพฤติกรรมเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆทาบ่อยก็สั่งสมลงมากแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นที่เรียกว่าตั้งมั่นหรือสมาธิมันก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นตั้งมั่นขึ้นจนสุดท้ายตั้งมั่นอย่างเด็ดเดียว เป็นอนเนนชาอนเนนชัปัปเตทีเตก็เรียกว่าตั้งมั่นขึ้นมาเรื่อยๆเยจ้าก็ตั้งเด็ดเดียวเลยอนเนนชาแข็งแรงไม่มีหวั่นไหวไม่มีคัอนแคลนไม่เปลี่ยนแปลงและสุดท้ายใช้คำว่าเที่ยงแท้ได้ด้วยแข็งแรงเที่ยงแท้เลยเด็ดขาดสู้กับกิเลสได้ตลอดได้แล้วก็ได้เลย เพราะเรารู้แจ้งเห็นจริงเห็นอนิสง์ของมันโดยยานปัญญาซับซ้อนอเห็นตัวประมาถเห็นตัวที่วิเศษพวกนี้แล้วมันจะทําให้เราเกิดกายกรรมวจีกรรมอยู่กับสังคมกับหมู่ฝูงกับใครตัวใครเนี่ยซับซ้อนเจริญ ง, งอกงามด้วยใจเราก็สบายด้วยใจเราก็รู้ดีดีว่าเออมันดีนะเราก็เสียสละเราก็ได้เสียสละเราก็ไม่ต้องโกรธไม่ต้องโลภแม่เราจะดา่าคนก็ดา่าด้วยไม่โลภ ด่าโดยไม่โกรธอูด่าก็ได้ดีๆเนี่ยคุณลองดูสิให้มันได้ว่าเอ๊ะเวลาเราตําหนิคนนี้นะแล้อ่านใจตัวเองแล้วว่าเราตำหนิเขา ด, ด้วยไม่ได้โลภนะไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองจริงๆด้วยเมตตาเนี่ยนะตำหนิเขาด้วยเมตตาด้วยมันเป็นจิตยังไงเคยตะด่าเขาได้โกรธมาตลอดเวลาใช่ไหมไม่ทันแล้วเขาก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ทันนะมันไม่รู้เก่าแต่ก่อนไม่เคยรู้ มันด่าที่ไรมันโกรธมาก่อนแล้วมันไอโกรดนั่นแหละมันบันดาลให้ด่ามันบันดาลให้ไปติคนอื่นด้โกรธไอตอนนี้เราไม่เอาแล้วจะติก็ติด้วยการช่างอกช่างใจจะรีบติหรือว่าไม่รีบติแล้วจะติแรงหรือติเบามันก็เป็นการประมาณเพื่อให้เขาได้ประโยชน์เมตตาเพื่อเขาทําเพื่อเขาถ้าทําไปแล้วผิดพลาดทําไปแล้วไม่ได้ประโยชน์มันเสียหายเขาเสียหายเราก็เสียหายเราก็เป็นคนไม่ดีที่ไปทําให้มันเกิดการเสียหายขึ้นมา เพนผู้รู้ท่านไตรตรองตรวจตราและทําลงไปอย่างนั้นจริงๆทํำไปแล้วเกิดประโยชนอ์อาจจะมีพลังมือพลั ง, พ ล, งพลังแรงบ้างมันอาจจะประมาณไม่พอเหมาะพอดีแม้แต่อัตมาเองอัตมาก็ไม่รับรองว่าอัตมาจะประมาณได้พอเหมาะพอดีไปอย่างเก่งยอดเหมือนพระพุทธเจ้าอัตมาขอยืนยันว่าอัตมาไม่เก่งอย่างพระพุทธเจ้าประมาณการที่จะว่าแรงว่าเบาอะไรไปเนี่ย พอเหมาะพอดีที่สุดอาตมาก็ยังขอยอมรับว่าไม่เก่งเท่าพระพุทธเจ้าอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างแต่อาตมาขอยืนยันว่าอาตมาได้ฝึกและจะมีความพอเหมาะพอดีได้มากกว่าคุณคุณแน่คุณได้ฝึกเท่าอาตมาเลยอาตมาได้ฝึกมาก่อนฝึกมากจริงๆเพราะฉะนั้นความแม่นยําหรือว่าความถูกต้องนี่จะมีมากกว่าคุณแน่มากเท่าไรคุณแข็งอาตมากันแล้วกันคุณแข็งสิคุณจะประมาณได้เก่งเท่าอาตมาก็เอาดิ อาตมาก็อนุโมทนานะอาตมาไม่ดิสหยาหรอกเพราะว่าจะได้มาช่วยกันนี่มันก็ดีอ่ะก็ทําให้คนเจริญขึ้นมาไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรอาตมาก็ไม่ได้อยากได้เป็นบังได้เบอร์จะได้เป็นชนะเป็นแชมป์เป็นผู้ที่เก่งกว่าไม่ต้องอเก่งกว่ามันก็ดีถ้าเราเก่งได้มันก็ดีแต่มันเก่งไม่ได้มันเก่งไม่เท่าเขาว่าเขาเก่งกว่าก็ดีแล้วก็นอนุโมทนาสาธุได้ช่วยกันมันเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อมนุษยชาติ เราจะไปอยากได้ดีได้เด่นได้โด่งอะไรกันไม่ได้อยากอาตมาว่าอาตมาไม่ได้อยากได้ดีได้เด่นได้โด่งอะไรไม่ได้อยากได้แต่ถ้ามันดีได้มันก็ดีได้ดีก่อนเขาก็ดีเหมือนกันก็พยายามอยู่จะให้ดีก่อนแต่ถ้าดียังไม่ได้ก่อนมันจะตามหลังก็อนุโมทนาพูดได้ก่อนชื่นชมยินดีด้วยพูดได้ก่อนเราจะไปเอาจิตใจเลวๆว่าโอ้ลิศยาเขาาได้ก่อนเราก็ทุกขติสิ ถ้าเกิดอาการนั้นจริงก็ทุกขติสิใครทุกขติก็คนนั้นเกิดจริงอะ่ะอัตมารู้อย่างนี้พูดในคุณฟังอย่างนี้แล้วก็พยายามเอาความละเอียดละอ่อนขอนี้มาพูดโดยภาษาโดยเอาสภาวะที่ตัวเองเป็นตัวเองมีตัวเองรู้เนี่ยมขาขยายเป็นภาษาไทยอัตมาว่าไม่มีในตำราไหนเขาบรรยายละเอียดละ อ, อว่าอย่างนี้หรอกไม่มีหรอกเรียกว่าใครว่ามีเอามาดูทีเอามาให้อ่านหน่อย อามาให้ดูมั้งก็อาตมาก็จะอนุโมทน า, าด้วยโอ้นี่อธิบายละเอียดละออเหมือนกันเนาะดีเนาะอาตมาก็จะได้แนะนําั้งเอาไปหาอาจารย์องนู้นอาจารย์องนู้นบางทีอธิบายได้ดีกว่าอาตมาด้วยเนาะก็จะได้แนะนําไปอาตมาก็จะได้ช่วยให้คนอื่นช่วยบ้างไม่ไงั้นเราทำอยู่คนเดียวมันเมื่อยหลายๆคนช่วยกันทํามันดีน ะ, ะมันได้ผลดีด้วยแล้วมันก็เผาเผๆเบื่อเผาเผาที่จะเมื่อยเผาเผาที่จะหนัก ไม่งั้นเราทำอยู่คนเดียวมันหนักหลายๆคนช่วยกันทำมันก็เบาลงผลก็เกิดดีใครช่วยได้จริงก็ดีจริงเพราะันเรื่องของกินเลทที่มันลิศยากันมันแข่งดีแข่งเด่นกันเอาชนะคาคานไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนโง่จริงๆเป็นเรื่องของคนโง่ พวกเราอย่าไปที่ไหนคิดอย่างนั้นอย่าไปเห็นโอ้ยต้องคนนั้นเขาดีคนนั้นเขาเด่นคนนั้นเขาว่าเราคนนี้เขาไม่ว่าเราเขาแม้เขาจะว่าเราด้วยกิเลสคุณไปห้ามเขาได้ยังไงถ้ายิ่งมาเป็นพวกเรานี่พวกเรามาปฏิบัติธรรมอาตมาเชื่อว่าแต่ละคนก็อยากจะห้ามไม่ให้มันมีกิเลสนั่นแหละแต่มันมีทําไงแล้วมันห้ามไม่อยู่มันรู้ไม่ทันแล้วมันก็เกิดนี้มาก็เออเขากเกิดแล้วจะทํำยังไง บอกบอกเขาเเนี่ยคุณเกิดและกิเลสล้บอกให้รู้ตัวถ้าคุณเองรู้ตัวว่าเขาชี้บอกว่ารู้พยายามอ่านตัวเองให้ออกเรากําลังลงนรกเราตอนนี้กำลังเดินไปดําเนินไปทุกขตินะกำลังแหม่กำลังดําเนินกิเลสเชีย ว, วยกิเลสกาลังก่อเรื่องก่อราวกําลังก่อตัวดําเนินไปเป็นทุกขติเรารู้ตัวเราเดี๋ยวนี้เราก็จะอนุโมทนาเขาซิไม่ใช่ว่า อย่ามาว่ากูอย่ามาบอกกูโง่ตายเขาบอกให้อยไรยังไม่ดีเเขาว่าให้เขาบอกให้เขาทวงให้ดีแล้วเพราะงใครจะมาว่าเราทวงเราอ่ายังโงอยังงี้อะไรต่ใแม้เขาคดด่าให้เราเนี่ยถ้าคุณเองคุณชัดเจนจริงๆเลยนะว่าคนเราเนี่ยนะเขาจะด่าเราได้โกรธก็เพราะว่าเขาเองเขาเขาโกรธแล้วเขาก็เป็นทุกข์คติของเขาเป็นนรกของเขาเขาก็ทำนรกของเขาเอง เราเองเราไปโกรธตอบอรรมาเคยใช้จำนวนที่ว่าโลกโลกเาก็ใช่นะไปโกรธตอบอย่างเขาเขาด่าเราได้โกรธเราก็เลยโกรธบ้างตอบเขาไปด้วยกันมันก็เท่ากับหมากัดกับหมาฟังออกไหมชัดไหมมันดูแรงดีนะก็เท่ากับหมากัดกับหมาอ คนโกรธก็คือหมาไปโกรธเขาด่าเขาได้โกรธเราก็ไม่รู้ตัวก็เลยกัดกับเขาตอบก็โกรธ ด, ด่าตอบไปเหมือนกันก็เลยเท่อกันเลยถ้าคนที่ด่านั่นคือหมาคนที่โกรธตอบแล้วก็ดา่าโกรธ ด, ด้วยกันก็เท่ากับหมากัดกับหมา <c oughs> นี่ยมันชัดๆอย่างนี้เพราะเราจะต้องมีสติสัพชัญญาให้ดีๆระมัดระวังดีเออ คนเขาโกรธก็โกรธไปและระวังอย่าไปยั่วกันมากคนโกรธแล้วก็ไปยั่วกันอีกยิ่งยับยั้งไม่อยู่ยิ่งโกรธกันใหญ่อีกก็เท่ากับฉุดให้เขาลงนรกหนักไปอีกอย่าไปยั่วเขาหนักขึ้นไปอีกนะยั่วขึ้นไปอีกมันก็ไม่ดีนะเพราะรู้แล้วว่าเออคนนี้โกรธละเอาเปล่าหยุดเถอะแล้วเขาค่อยหาเรื่องใหม่ทําอันใหม่หรือบางทีถ้าคุณมีอํานาจคุณมีเขาศรัทธาเขาโกรธขนาดนี้เราก็ต้องพยายามแรงเพื่อที่จะให้โกรธนี้เขาระงับ ให้เขารู้ว่าเราเอาจริงนะสิ่งที่ไม่ดีนะเราก็ว่าสิ่งไม่ดีนี่แรงลงไปอีกถ้าคุณเองเขาศรัทธาเรื่มใสเท่านั้นจึงจะทำได้ถ้าเขาไม่ศรัทธาเรื่มใสแล้วนะอย่าไปการาดเขาเลยหรือไม่งั้นคุณก็มีอำนาจทางปืนทางมีดหรืออานาจทางโลกรามีอำนาจถ้าแกไม่เชื่อข้าข้ากไม่คืนเงินเดือนให้แกถ้าแกไม่เชื่อข้าอะไรก็แล้วแต่มันมี อะไรที่เป็นอํานาจดิดอีกตั้งหากและคุณสามารถที่จะห้ามเขาไม่ให้เขาโกรธแรงกว่า น, นี้ได้ ก, ก, ก็ทําได้เหมือนกันอาจทําได้นะเพราะเขาเห็นแก่ว่าเดี๋ยวคืนไม่หยุดแนละ้วเดี๋ยวไม่ได้ไอสิ่งที่เขาจะต้องการเขาอาจจะเป็นได้แต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วนะเลิกเลยไม่มีอํานาจที่จะเป็นวัตถุก็าตามเป็นทั้งโลกก็ทำก็ตามโดยเฉพาะยังไม่มีอํานาจทางนามธรรมศรัทธาเลื่อมใส ย, ยกย่องเคารพ บ, บูชา จะไปแรงเข้าไปเสริมเขาไปอีกนะมีแต่รังจะทะเลาะกันแต่ถ้าผู้ที่เขาศรัทธาเรื่มใสาสามารถที่จะแรงเพื่อที่จะให้เขาเกรงเขากลัวเขาอะไรอะไรลงไปได้ก็สามารถจะระ ง, งับอย่างนั้นได้ด้วยนะอันนี้ต้องดูตนอัตัญญุตาต้องดูว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นใครเราสามารถจะแรงได้ไหมเขาเคารพศรัทธาเรื่มใสขนาดไหนอ่า มันจะเราแรงไม่ได้เขาไม่ได้เคารพศรัทธาเรื่องสายอะเลยหรือเราก็ไม่มีลาบยศสันเสริญอะไรจะไปให้เขามะงะมงังอนเลยออย่าเลยยังอาตมานี่ยยิงไม่มีลาบยศสันเสริญอะไรให้ที่จะไปให้และนอกจากจะมีคุณธรรมที่เขาจะมาศรัทธาเรื่องสเคารพนะมันยิ่งเพียวใหญ่เลยเพราะงั้นใครที่อาตมาจะว่าได้เนี่ยอาตมาต้องรู้เลยว่าเอ๊ะเขาเคารพศรัทธาเราในเรื่องอย่างนี้ไหม เงินทองเข้าของลาบยศสันเสริมเราไม่มีหรอกถึงยังไงเขาก็ไม่มานั่งกลัวเราหรอกอำนาจบาดใหญ่พวกนั้นไม่มีไม่มีฤทธิ์ดเดชพวกนั้นไม่มีจะมีก็มีแต่คุณธรรมจะมีก็มีแต่สิ่งที่เป็นดีอะไรที่เราจะเขาเกรงเราไม่เรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนข้างนอกเนี่ยอาตมาต่อสู้กับใครเขาไม่เคยได้แรงเขาไม่เคยได้ข้างนอกเห็นไหมข้างนอกอาตมาไปแรงเขาไม่ได้หรอกมีแต่แย่แย่แยเขาประมาณลองของดูเขาถ้าเขาตอบโต้มาพอทุกคนอาตมาต้องหยุดแล้ว พราะแรงไปไม่ได้เขาจะไม่ศรัท ธ, ธาเขาจะไม่เลื่อมสายแรงไปอีกไม่ได้จะแรงได้กับพวกคุณเนี่หละกับพวกคุณเนี่ยมากเพราะว่าคุณก็ศรัท ธ, ธาเรื่อมสายมั่นใจอยู่ว่าอาตมารแรงไปเพราะอะไรก็ก็ได้มันจะเห็นได้ว่าข้างนอกอาตมาไม่ไปแรงกับเขาแต่ทำไมอาตมารแรงกับพวกคุณจังเลยอ้าก็ใช่ทีคณะแรงๆนี้ยังไม่เคยจะอยู่เลยอ่ แสดงว่าไม่เกรงอาตมาไม่ศรัทธาอาตมาไม่นับถืออาตมาใช่ไหมเอาจริงนะแม้มันนับถือก็เลิกนับถือนะมันขึ้นหนักๆเขา้าเลิกนับถือแล้วไม่เอาแล้วก็มันก็มีได้เหมือนกันนะมีได้เหมือนกันไม่เอาแล้วไม่นับถือแล้วไม่นับถือก็มันก็ไม่ได้สอนกันต่อไปไม่ได้ช่วยกันต่อไปก็ทําไงได้นะก็เลิกกันไปถือซะว่าเราหมดบุญกับแกกันแล้วกัน ถือว่าหมดบุญแก่กันและกันล้ช่วยกันไม่ได้แล้วช่วยกันได้แค่นี้นะมนแม้แต่จะดุจะตําหนิจะว่าจะอะไรหรือจะกําราบนะที่พระพุทธเจ้าทันว่าติเตียนนี่แหละแปลให้หนักหนักนิฆะเนี่ยก็แปลว่าก็กระราบอย่างที่ท่าพุทธทาสแถวใช้ท่นานใว่ากําราบกระนาบออจะใช้ว่ากระนาบกําราบหรือกระนาบกระนาบแล้วกระนาบอีกก็คือนิฆะติเตียนดาแรงคม ติกาแปล ว, ว่าขมก็ได้ขมแล้วขมอีกเราจะขมได้อย่างไรแค่ไหนก็ต้องมีปัญญาประมาณถ้าประมาณไม่ดีมันก็ใช้ไม่ได้นะไม่ได้ผลอาตมาว่าตามาพยายามที่จะให้ได้ผลเสมอบางทีเมื่อยเมื่อยแก๊กหนะ้าโอ้ยมันต้องดุมันต้องว่ามันต้องอะไรแะเก๊กเมื่อยนะเมื่อย แต่ต้องทำํำบางทีเนี่โอ้โห ม, มันแรงมากไปแล้วก็ไม่อยากจะแรงเรามันหยาบดูแล้วมันก็น่ารังเกียจนะอาการห ย, ยาบหยาแบบนี้ก็น่ารังเกียจแต่บางครั้งบางคราวก็ต้องทำํทำทําเพื่อยับยัง้งซึ่งก็ดูว่าก็ได้ผลอยู่มากกว่าที่อาตมาจะทําไม่ได้ผลส่วนเราในพวกเราเนี่ยแต่บางคนที่เปราะบางไม่ได้กาลาบแรงอะไรหรอกนิดๆหน่อยๆถือตัว ว่าเราแรงไปแล้วไปแล้วก็ได้ไปทียังไม่ทันแรงเลยนะหลายคนเจอเขานิดนิดหน่อยแหนว่าเราแรงทําไมดีนักก์หรอฮะดีนักกหรือว่าแรงก็ไม่ได้เปราะบางอัตตาโตด้วยนะนั่นแหะอัตตาของตัวเองโตมานะโตถือดีถือตัวว่าแรงก็ไม่ได้ มันก็เลยซ้อนเห็นห ม, มันย้อนกันมันย้อนกลับกันศรัทธาก็ไม่พอถือตัวก็มากเพราะนั้นบางทีนี่ไระท่นได้ว่าเลยนะนึกว่าไปแล้วไม่ได้เจตนาเลยแต่มันตรงกับของตัวเองอะ่ะโดนตรงกับเขาตัวเองซึ่งอาตมาจะเทศให้ได้โดนคนหลายๆคน พอเทศอันนี้ไปแล้วก็หลายๆคนมีสภาวะอย่างเงี้ยมันมีอกุศลอันนี้แล้วว่ามีสิ่งเที่ไม่ดีอันเนี้ยหลายคนมันก็ได้ผลมากใช่ไหมไม่รู้โดยซ้ําไปว่าคุณก็มีนะบางทีไม่รู้หรอกโดนแล้วตัวเองก็อัตตามานะสูงว่าฉันแรงล้วไม่เอาล้ไปครับนอนไม่เลยไอเราก็ไม่รู้จะว่าไงบางทีไม่รู้ตัวอัตมาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเอ๊ะเข้าไปเพราะอะไรก็ไม่รู้เทศเมื่อไหร่ไปโดนเขาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่ปรากฏว่าหายไปแล้วอย่างนี้ก็มีก็ไม่รู้จะทำยังไงบางคนก็เหนียวนะนอกจากเหนียวแล้วด้านไม้ด้วยเลยกลายเป็นชินชานี่อาจายก็เคยเทศเรื่องชินชาเรื่องชินเรื่องชานี่ก็เคยเทศกลายเป็นแก่วัดกลายเป็นด้านไม้ไอ้นี่ก็ไม่ดี ไม่ดีไม่ไหวไม่ไม่ไม่รู้สึกไม่สํานึกพยายามที่จะต้องรู้ต้องรับต้องพยายามที่จะจับจิตโน้มน้อมอยากกระด้างมันกระด้างมันชินชามันกระด้างแล้วก็ไม่รับรู้ไม่อ่อนน้อมรับไม่ยอมอแข็งซื่อสื่ อ, อ, อ, อทื่อสู้ไปเฉยเฉยเสร็จแล้วพอฟังเสร็จทนได้ไม่เจ็บไม่ปวดเสร็จแล้วก็เฉยทิ้งไปเลยไอ้แบบนี้มันก็ไม่ได เปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขมันก็ไม่เจริญนี่สภาว่ามันเป็นอย่างอัตมาใช้ภาษาไทยอธิบายลักษณะลักษณะของมันให้ฟังเพราะเราจะต้องพยายามสํานึกฟังได้เป็นผู้ที่อ่อนน้อมรับยินเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายยอมรับความจริงฟังเหตุผลอัตมาส่วนมากจะบอกเหตุผลถ้าดุดาว่าอะไรไปแล้วก็ถามได้ถามเหตุผลนั้นนนี่นีน่ส่วนมากก็บอกนะบอกเหตุผลบอกลีลาบอกอะไรต่ออะไรบอก ขยายความไปถึงตัวสําคัญของลักษณะกิเลสหน้าตาของมันเป็นยังไงก็อบอกให้ฟังได้เราขยายลักษณะหน้าตาของกิเลสนั่นแหละคืออภิธรรมคือธรรมะในปรมัตาธมะในเรื่องลึกซึ้งอย่างนี้คือกิเลสอย่างนี้คือจิตบริสุทธิ์อย่างนี้คือจิตควรทําจิตในจิตดื้อมนสิการควรทําใจในใจอย่างนี้อย่างนี้อย่าทำอย่างนี้แก้ออกเลิกออกล้างออกนะอย่างนี้เนะี่ยมันไม่ดีทําอย่างนี้ มันจเจริญทําให้อย่างนี้อย่างนี้ก็พยายามแนะนำพยายามบอกเท่าที่อาตมาจะสื่อออกมาเป็นภาษาได้นะแม้แต่คุณไม่มาถามส่วนตัวอาตมาก็พยายามขยายความนําสภาวะที่มันลึกๆสภาวะที่มันรู้ได้ยากสภาวะที่พวกเราเป็นกันอยู่มากๆนั่นแหละเอามาพูดก็ไม่ได้เจตนาเรียงหัวไว้หรอก แต่ไม่ไม่ถูกหลายหัวน่ยดีใช่ไหมมันได้ประโยชน์พร้อมๆกันมากๆอกก็ดีนั่นก็เออตอนนี้เจอแล้วเราเจอเอ้าวเจอพร้อมๆกันลหลายหลรายก็ดีแล้วละ่ะรู้ตัวซะว่าได้ด่าไปพร้อ ม, มๆกันนั่นแหละได้ดุไปพร้อมๆกันนั่นแหละได้ว่าไปพร้อมๆกันนั่นแหละแล้วเรารู้ว่าเออจริงนะอันนี้เราจริงนะเราไม่ดีบอกพร่องแล้วเราก็ยังไม่ชํานาญเรายังไม่ทําไม่ได้หรือว่าทํายังไม่ดี รู้ตัวอย่างนี้แหละมันเป็นผลจริงในการเทศก็เทศถูกสภาวะเทศถูกความจริงได้รู้ความจริงกันคุณก็เอาไปจัดการไปกระทรรมอาตมาก็ทำงานได้ผลบอกได้ชัดบอกได้แจง้งคุณรู้ดีเข้าใจดีคุณก็เอาไปปฏิบัติอบรมฝึกฝนให้มากทำให้มากเมื่อทำให้มากได้เกิดการเจริญงอกงามเกิดการดีขึ้น มันก็วิเศษเท่านั้นเองเอาวันนี้ได้พยายามที่จะอธิบายปรมัตอธิบายคติการดําเนินอยู่ดําเนินไปคติขโตการดําเนินอยู่ดําเนินไปที่เป็นทุกขติที่เราเรียกว่าชั่วต่ํายาบาปหรือว่านรกสุขติคือเจริญคือดีคือไปสู่ทาง สูงสุขติและในขณะคติที่มันเป็นอยู่คตโตที่มันดําเนินอยู่ภาษาบาลีเรียกว่าคติเรียกว่าคตโตก็ตามมันดําเนินไปเนี่ยนั่นแหละคุณเห็นอาการดําเนินอยู่ดําเนินไปเป็นอาการที่ทรงสภาพนั้นอยู่มีอิริยาบมีพฤติมีกิริยาโดยเฉพาะจิตเจตสิกหรือกิเลส จิตเจตสิกกัิเลสเนี่ยมันยู่ด้วยกันมาด้วยกันไปได้วยกันมาแต่ไหนแต่ไหนละเพราะการล้างกิเลสไม่ได้ล้างที่อื่นเลยล้างที่จิตเราสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตเราภาษาเรียกเท่านั้นนะสวรรค์นรกเรียกอยู่ที่จิตเราสวรรค์นรกนอกก็จิตไม่มีไม่มีไม่มีสถานที่ไม่มีสถานที่ น, ทนรกสวรรค์นอกจาก สวรรค์นรกอยู่ที่จิตอยู่ที่อื่นไม่มีใครจับจิตได้นั่นแหละสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสวรรค์อยู่ในสวรรค์นในอกนรกในใจอะไรก็ถูกแต่ต้องเรียนรู้ให้มันลึกซึ้งกว่านั้นสวรรค์นในอกนรกในใจเสร็จแล้วบางคนบอกวออไม่เอาวสวรรค์อย่างนี้สวรรค์จะต้องเป็นภูมิเป็นภพอยู่ที่ไหนไหนไพูดอย่างนี้ก็สแสดงว่าคนที่นี่ยาก สอนยากจะมาให้ปฏิบัติทำยากมันจบกายนี้ร่างนี้ชีวิตนี้แล้วมันจะมีสวรรค์มีนรกไหมตราบที่คุณยังมีจิตปิญญาที่มีวิบากมันยังไม่ปรนิพานมันก็มีสวรรค์นรกอยู่ของคุณ น, นั่นแหละไปไหนมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละจะบอกว่ามันไปมันมา มันไม่ได้ไปมันไม่ได้มามันอยู่กับจิตวิญญาณของคุณคุณคืออะไรคุณคืออะไรคุณมีาธาตุรู้คุณมีาธาตุจิตวิญญาณนี่เป็นตัววิบากเป็นตัววิบากกรรมเป็นตัวชีวะภูตตปานะไอ้ธาตุดินน้ำไฟลมแท่งนี้นี่มันมาอาศัยประกอบเมื่อเวลามันหยั่งลงสู่คันแล้วมันก็มาใช้พอเวลามันตายแล้ว ไอ้นี่มันก็หมดไปไอ้นี่มันก็สลายมันก็แยกธาตุมันก็เหลือยี่ธาตุปิบากธาตุจิตวิญญาณธาตุที่มันสั่งสมบุญบาปอันนี้สั่งสมนรกสวรรค์อันนี้แต่มันไม่ใช่แทงใจก่อนเหมือนอย่างที่เราเดาๆแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปว่ามันจะลอยตุ๊บปองตุ๊บปอ ง, ฟ, องฟ่องฟิ่งอะไรไปจะไปคิดนึกอย่างนั้น มันไม่เป็นเหมือนกับที่เราคิดเรานึกเนี่ยพระพุธทธเจ้าถึงบอกว่าไม่ใช่สัมภเวสีไม่ใช่วิญญาณล่องลอยไปหาอห น, นี้แม่เนี่ยวิญญาณ น, นั้นนอะเขาเล่ากันว่าบางทีข้ามน้ําข้ามทะเลบุกป่าบุกเขามนียิยาเคยเห็นไหมล่ะก็บอกว่าแมวิญญาณนีก่ก่อจะมาลงบางทีตกมาในขันน้ําก็มีบางทีเกาะมากระเรือบางทีเกาะมากระไหลก็บ่ากรคนนั้นคนนี้เป็นนิยาย <c oughs> เล่ากันเป็นตูเป็นตาย่อะแ ย, ยะไป แมมันอันนิทัศนังจริงๆมันสามารถได้จะ här, ทำให้รู้ได้เห็นได้ยากจริงๆนะวิญญาณในธาตุวิญญาณังอั น, นิทัศนังอนันตังสัพโตปรพังมันเป็นธาตุวิญญาณนังอั น, นิทัศนังไม่รู้จะแนะนํ arkadaş, i, าให้ร so um, ู้ได<ๆ>้เห็นได้ใดยงไงยัอนันตังมันมีมากเกินที่จะพูดมันไม่รู้จบไม่รู้สิ้นอนันตังอันิทัศนังอนันตังสัพโตปรพังถ้าผู้สว่างสวัยก็จะเห็นแจ้งเห็นชัดอยู่อย่างนั้นแหะสัพโตปรพัง ผู้ไม่รู้จากวิญญาณผู้ไม่ชัดเจนในวิญญาณมันก็ไม่รู้พูดยังไงก็ไม่รู้อาตมาพูดก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสให้มันตายตัวก็ไม่ได้ท่านก็ได้แต่ตรัสอย่างเงี้ยที่เอามาพูดเนี่ยเป็นภาษาบาลีนี่ก็เป็นคําตรัสของพระเจ้าวิญญาณนางนี้ทัศน์นางนันตังสัพพโตปพังก็เป็นคําตรัสของในพระไตรปิฎกที่ท่านตรัสมันก็เป็นอย่า ง, งานั้นนะจะไปพูดอย่งไงถ้าท่านตรัสที่ลงไปได้ท่านก็ตรัดไว้แล้วจะให้อาตมามาต้องเสียเวลา ตำบาคทำไมอาตมาก็เอาคำแต่งของท่านมาพูดยืนยันกับพวกคุณก็ได้อาตมาก็ไม่เก่งเกินพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ยังตัดไม่ได้ตัดบอกให้ชัดเจนไม่ได้อาตมาจะไปบอกได้เก่งกว่าพระพุทธเจ้าบ้มันก็วิเศษใหญ่เท่านั้นเองอ่ะทีมันทําไม่ได้หรอกนะแต่อาตมาก็พยายามจะใช้ภาษาไทยสื่อให้คุณได้รู้เท่าที่จะสามารถสื่อ ภาษาบาลีไม่มีมีภาษาไทยอย่างไรอาตมาก็เอาสภาวะนั่นามาสื่อให้คุณรู้ให้คุณฟังนะเพราะวิญญาณมันเนี่ยมันจะไปเข้าใจว่ามันเป็นแก่ก้อนเป็นแท่งเป็นรอยตุ๊ป่องมันมีสถานที่มันมีนวนมีนี่ไม่ะคุณพยายามเรียนรู้เอาเองว่าอยู่ในกายยาวานาคืกาอกว้างศอกพร้อมสัญญาณจิตมีจิตมีใจอยู่ในเนี้ยเสร็จแล้วมันเป็นทุกขติมันเป็นสุคติมันเป็นนรกมันเป็นสวรรค์อย่างไรใช่ชัด ชัดจนกระทั่งคุณสามารถดับนรกได้หมดสิน้นทุกขติไม่มีเลยเมื่อไรมันก็ไม่เกิดสวนอดีต ท, ที่มันเป็นวิบากช่างหัวมันขณะพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาเร็จแล้วเนะีเป็นพระพุทธเจ้านะมันยังมีตัวดําเนินไปด้วยทุกขดําเนินไปด้วยลําบากเป็นวิบาก์เลมัต้องโดนหินทับทับพระบาทต้องถูกพระเทวทัตเิ่งหินต้องถูกเขาไล่ช้างมาไล่ มาจะเอาชีวิตมีวิบากนู่นวิบากนี่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องปวดนู่นปวดนี่ที่ท่านอธิบายวิบากของท่านให้ฟังเป็นวิบากแต่แต่ปางก่อนมันเป็นวิบากอคุศสวิบากบามันก็ตามมาหาเองได้ขนาดตรัสรู้เป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีอกุศลวิบากตามมาดําเนินมาแทรกแซงให้เป็นทุกข์เป็นพยาธิทุกข์ uk, เป็นทุกข์เพราะว่าเกิดเจ็บเกิดป่วยเกิดหรือเป็นทุกข์ทีเ่เป็นวิบาก ที่เข้ามาร่วมอย่างที่พระเทวทัตเข้ามาทำอะไรนี้แล้วแต่มันก็ต้องมีเป็นธรรมดามันไม่ใช่นรกใหม่นรกปัจจุบันกับ น, นรกใหม่ท่านไม่สร้างอีกไม่ดำเนินไปอีกไม่ก่อไม่เกิดไม่เป็นไม่มีอีกแต่ทุกขตินรกเก่าวิบากเก่าที่เป็นอกุศลวิบากเก่าที่ได้สั่งสมเป็นวิบากแล้วมันมาออกฤทธิ์ออกแรง มีได้บ้างแต่ถ้าเราจะได้พยายามสั่งสมกุศลวิบากให้มันมากมากมากมาก ม, าก ม, ากมันนำหน้าไปลิวๆๆ้วลิวไอ้อกุศลน่ะตามมาก็ได้แก่กรังสีรัศมีบางบางบิวบิวพิ้วิวแผ่วแผมาไอตัวก้อนตัวหนักตัวแท้ย่างไรๆมาไม่ถึงเลยคุณก็ได้รับแต่น้อยนิแรงมันก็ได้แต่น้อยหรือไม่มาถึงเลย เสแล้คุณก็ดําเนินไปดีมีแต่ดีแต่ดีฤท แ, แรงของกุศลก็นําหน้าไปใหญ่เลยไปได้มากมากมาก ม, าก ม, ากมากขึ้นจนสุดท้ายคุณปรินิพานแล้วยกเลิกหมดเลยกุศลอ ก, กุศลวิบากใดๆหมดเพราะเลิกจบสนิทปรินิพานไม่มีอย่างลงสู่ขันอีกและรูปนามขันท่าทั้งหลายแหล่แม้แต่นามมาทำแม้แต่จิตเจตสิกมันไม่ใช่ตัวตนอะไร สะอาดจิตบริสุทธิ์มันไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นของที่จะมาเกาะมากุมเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นน้นเป็นนี่อะไรเมื่อหมดเมื่ อ, พ ย, อพยายามที่จะมีตันหาใดๆอีกเลยพบใดๆก็จบแต่ถ้ายังมีตันหาอยู่ตราบใดเป็นวิภวะตันหาตันหาอุดมการณ์ขนาดสูงสุดอย่างไรมันก็ยังจะต้องก่อเกิดพบก่อเกิดชาติจะ่ยังมีตัวตน ฟังดีๆนะพระพธิสัตว์มีตัวตนตัวตนที่ดีที่จะสั่งสมต่อไปอีกก็ต่อไปคุณทำให้เป็นไงแล้วกันทำให้ได้ก็แล้วกันตั้งแต่นิพพานน้อยๆจนกระทั่งมีนิพพานมากๆนิพพานใหญ่ๆจนนิพพานไปจนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันตก็เป็นได้เป็นนิพพานได้แต่ว่าเรายังไม่หยุดจะต่อพบต่อภูมิขึ้นไปอีกต่างจิตวิภาวะตัณหาไปอีก วิบากก็ตามมาของคุณอีกเหมือนกันไม่เท่าเทียมกันใครมีมากมีน้อยก็ก็มาคุณต้องรู้เมื่อคุณรู้ตัวแล้วคุณก็จะไม่แยงอะไรมากมายก็ว่ากันไปสิก็รับไปวิบากเราเราก็ตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมกุศลถ้าคุณแน่ใจว่าคุณได้สั่งสมกุศลมากๆๆๆจนชาตินี้ก็เออกุศลนําหน้าชีวิตของคุณก็เจริญก็สบายก็ดีไปเองอกุศลคุณหยุดได้เด็ดขาดยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วหยุดอกุศลได้มาก หยุดกุศลได้เลยมีแต่กุศลกุศลกุศลไปเรื่อยๆก็ดีเท่าไรก็สะสมบุญกุศลเท่านั้นเองอู้พระอระหันต์ท่านไม่กลัวเกิดหรอกต่อไปนี่ไม่กลัวเกิดแต่มันทุกข์เหมือนกันนะมันทุกข์สภาวะมันทุกข์ที่จะต้องสแสวงหาโพธิญาณแสวงหาสิ่งที่ดีเนี่ยมันมันเมื่อยมันแหมมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะ แล้วเราก็ไม่ได้ทํา ม, มีอะไรบันเทิงมีอะไรบําเรอไม่ได้ทําเพื่อลาหลาบมาบําเรอใจไม่ลายศมาบําเรอใจไม่ล่าสันเสริมมาบําเรอใ จ, รรอใจหรือแม้แต่สุขแบบโลกโลกบำสมอกส ม, สมใจอะไรก็ไม่ใช่เมื่อไม่ใช่มันก็เลยสอนเฮามันย้อนมันก็ไม่มีพลังมากเพราะั้นเราจะต้องโถผพลังให้มันมากให้มันรู้สาหะเหมือนกับอาตมาเข็นพวกเราเนี่ย มันมีแนวโน้มไปในทางว่าเออเรามาทํางานนี่เราก็ไม่ได้หวังลาบหวังยศไม่ได้หวังสันเสริญไม่ได้ฝังโลกียสุขอะไรแล้วนี่นะเราอยู่ไปแค่นี้ก็พอแล้วนี่อยู่ๆก็กินกินนอนนอนเรก็สบายดีถ้าเผื่อว่าเราขยันขึ้นไปกว่านี้เราภากเพียรแสวงหามากกว่านี้เราก็เมื่อยมากกว่านี้ตัวขี้เกียจมันก็บอกว่าโอ้จริงของเองจริงของเองอตัวขี้เกียจมันก็บอกจริงของเองตัวฤาษีมันบอกเองแต่ผมก็ขนขวายมากหรอก เองอยูเฉยๆก็ได้แต่วิบากของคุณมันไม่ได้หยุดยั้งนะมันเหมือนหมาไล่เนื้อโดยเฉพาะอกุศลวิบากมันเหมือนหมาไล่เนื้อนะมันไม่หยุดนะเพราะนี้ประมาทไม่ได้ที่เราจะไม่สั่งสมกุศลพระพุทธเจ้าถึงบอกท่านไม่เคยให้ย่อหย่อนในสันโดษในกุศลไม่เคยให้หยุดทั้งหลายเราไม่สรรเสริญแม้ซึ่งความตั้งอยู่ ในกุศลธรรมทั้งหลายฉันไหนเราจะสันเส ร, ริญความเสื่อมรอบในกุศลแงกุศลธรรมทั้งหลายเล่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายแต่เราสันเสริญความเจริญวุติในกุศลธรรมทั้งหลายมิใช่ความตั้งอยู่มิใช่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมเลยขนาดตั้งอยู่เท่าเดิมเนี่ยท่านก็ไม่สันเริญแล้วขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังไม่เคยสันโดดในกุศลไม่ประมาทนะอันนี้ตัวนี้คือตัวไม่ประมาทตัวสำคัญเพราะนั้นคนที่บอกว่าเอาเราทำแค่นี้ก็พอแล้วนะเราแค่นี้ก็พอกินจริงมันพอกินนะเพรพออยู่ได้นะแต่มันไม่เจริญขึ้นนี่มันประมาทแล้วอกุศลต่างๆมันตามก็ทัน และคุณจะทำไมจะเสียเวลาไปทำไมทำไมจะต้องรอช้าถ้าคุณจะไปสู่โล ก, กุตระอันสูงสุดสมบูรณ์จะช้าทำไมอยากได้อนาหารปัจจุบันนี้อยากได้ห้าวินาทีข้างหน้านี้ไหมอยากได้แต่ไปถูกผีหลอกว่าเออเองก็อยู่กันแล้วกันไม่ต้องอะไรมากก็ได้ไปถูกผีหลอก่าอย่างนั้นแล้วคุณจะไปได้ยังไงฮะเหตุผลของมันมันชัดเจนในตัวของมันนะ หมเหตุผลมันชัดเจนในตัวของมันเพราะฉะนั้นอย่าประมาทภาคเพียนไปเถอะเรามีรูปนามขันห้าเรามีกาละมีโอกาสมีเวลาที่ดีแล้วเวลาทุกเวลาเป็นเวลาที่ดีที่เราจะได้สั่งสมบุญเราย่อยย่อนเมื่อไหรประมาทเมื่อนั้นไม่ขนขวายเมื่อไหรประมาทเมื่อนั้น พระพุทธญาติเรียตัดว่าทำใดวินยัยใดเป็นไปเพื่อความเกียดคร้านทํานั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทําใดวินยัยใดเป็นไปเพื่อความขยันภาคเพียรมีวิริยธรรมพะปรารบความเพียรอยู่เสมอเสมอทำนั้นวินัยนั้นเป็นของเราตถาคตถ้ากํากับไว้หมดชัดเจนดิ้นไม่ได้ทั้งนั้นแหละท่านกำกับไว้หมด พระคำสอนพระพุทเจ้าเนี่ยละเอียดละออรอบด้านหมดเลยนะยิ่งเราเองเราไม่ไปต้องไปไลเ่เสพไ อ, นอน้นนท์เสพไอ้นี่ต้องสแสวงหาอย่างเงี้ยอย่างงี้เดี๋ยวอยากจะไปเดินทอดน่องหน่อยเดี๋ยวอยากจะไปสัมผัสสัมพันธ์กับไอ้นี่ น, อ น, น่อยเดี๋ยวอยากไปหาสุกเล็กสุกน้อยอะไรเเสพหน่อยนะสุกเล็กนี่ไม่ได้หมายถึงประยุนจันยาวงนะจะต้องไปเอาไอ้นอนท์ไอ้นี้มาใส่หน่อยไม่ต้องแล้วนะถ้าเราไม่ต้องแล้ว เราจะมีปัญหาได้บ้างๆคืนๆนั่นก็ดัมเร่รเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้กายกรรมวจีกรรมที่ดีก็นี้ยังมีอีกเรากําลังทําอะไรอยู่วะก็หากายกรรมวจีกรรมที่ดีใจที่ดีแล้วจะแสวงหากายกรรมวจีกรรมที่ดีกายกรรมวจีกรรมมันเป็นสมมุติสัจจะเป็นกรรมกิริยา เพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมที่ดีอะไรที่จะทําผู้ที่มีจิตวิญญาณที่ดีแล้วก็สแสวงหากายกรรมวจีกรรมที่ดีนั้นทําแม้แต่ผู้ที่มีจิตยังไม่ดีหมดก็ตามก็ต้องไปหากายกรรมวจีกรรมที่ดีกระทําเพื่อที่จะมันยิ่งฝืนใจตัวเองขี้เกียจไม่อยากทํานะรู้ว่ากายกรรมวจีกรรมนี้ดีไปเลยไปเลยดันมันเข้าไปนั่นหละ่ะแก้ลํากิเลส แก้ล้ำจิตวิญญาณที่มันมีกิเลสก็มันพิจารณาแล้วว่าดีแหะกายกรรมวจิกรรมอย่างนี้ดีแหละทำไมจะอยู่เฉยๆสมควรพักหรือเปล่าสมควรพักอ้อาวก็พักว่ดีแต่พักสมควรแล้วพอแล้วมันไม่ใช่ควรพักต่อไปแล้วควรจะไปทําอะไรดีกว่านี้คงก็ต้องไปหาอะไรดีกว่านี้จบอยู่ที่ว่าเราไม่พักเราไม่เพียร น, นี่โอ้โหมันลึกสุดลึกแสนลึก อาตมาเอามาย้ำมามาพูดกับพวกเราว่ามันลึกซึ้งเนี่ยเราไม่พักเราไม่เพียรเนี่ยคุณฟังฟังธรรมมาๆมากๆมาที่อาตมาอธิบายนี่เห็นด้วยหรือยังว่ามันลึกจริงๆแล้วเราไม่พักเราไม่เพียรเนี่ยแล้วบอกเราข้าวบอกเขาสงสารได้ก็คือเราถึงนิพพานนั่นแหละมันยอดลึกซึ้งเลยประโยคนี้เพราะเราไม่พักก็คือเราเราไม่เพียรก็คือเราเพราะเราไม่พักก็คือเราจะต้องหาอะไรที่จะต้องทํา เราไม่พักหาอะไรที่จะต้องทำอัตวานที่ยืนยันว่าท่านเอานาหน้าเลยนะเราไม่พักเนี่ยเราจะต้องหาอะไรที่ต้องทำแต่ถ้าเผื่อว่าเราควรพักควรผ่อนก็คือเราไม่เพียรก็ต้องรู้ได้เหตุด้วยผลที่แท้จริงว่าเออเราควรพักควรผ่อนนะก็พักผ่อนตามที่มันสมควรแต่ถ้าไม่สมควรแล้วอย่าพัก โอ้โหยอดขยันเลยสอดคล้องไม่ว่ายอดขยันวิริยารำพระทําได้ไม่นนได้เป็นผู้ความขยันทํานั้นวินัยนั้นของเราตถาคตนี่ก็ของพระพุทธเจ้านี่แหละของพระพุทธเจ้าล่ะไม่เชื่อก็อย่าเชื่อของขอ้ออธรรมเองอทำกันขออ้ออธรรมเองก็ตีกินซะเลย นี่ของพระพุทธเจ้าล่ะซอนไว้อเรายิ่งจะเห็นอระพุทธเจ้าในท่านละเอียดละออท่านประเสริฐท่านสอดคล้ อ, ลองมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่ลึกซึ้งที่วิเศษแล้วเป็นคนประเสริฐเป็นคนวิเศษจริงๆมีประโยชน์คุณค่าในโลกเบิกบานร่าเริงมันเบิกบานร่าเริงยังไม่รู้มันจะไปเศร้าหมองอะไรถ้าคนไม่โกรธ ไม่มีความโกรธโทสะมูลหมดในใจแล้วนะคนทะโทสะมูลหมดถอนอาสวะสิ้นแล้วนะไม่มีเลยนะคุณไม่มีหมอหรอกเพราะสายหมอมันคือสายโทสะมูลเส่วนสายโลภะหรือสายราคะนะ่นะมันจะต้องอาศัยมันเป็นความปรารถนาเป็นความต้องการอยู่ที่จะใช้สร้างแต่ไม่ได้ต้องการมาบำเรอตนหมดตัวตนตรงนี้ ฟังภาษาดีๆแล้วก็เอาไปอ่านเอาไปอ่านสภาวะของตนให้ชัดเราไม่ได้มาทําเพื่อบําเรอตนมันลึกซึ้งนะบางทีมันไม่รู้ตัวเราว่าบําเรอตนนะอะไรนิดอะไรหน่อยมันบาเรอตัวเองสมใจตัวเองเป็นภาวะตัณหาเป็นวิภวะตัณหาก็ตามเมื่อเป็นวิภวะตัณหาเป็นตัณหาอุดมการณ์ที่เราเจตนาจะทําอย่างนี้แหละดีได้ดีนี้แล้วยังจะต้องมาทําออกอีกว่า เออดีนี้ทําดีแล้วทําได้ดีแล้วแล้วอย่าไปสําคัญมั่นหมายว่าดีนี้เป็นเราดีนี้เป็นของเราทาั้งๆที่มันเป็นเราเมันอยู่กับเราเราก็ทําอยู่ดีนี้เรายังมีคติขตโตอยู่ในนี้เป็นสุคติอยู่ในนีเน้เราก็ทํานี่สุคติยังําเนินไปดีเนี่ทยทําย <c oughs> ู่ไม่ถอยไม่ถอนสั่งสมลงไปเป็นกุศลเป็นวิบากกุศลวิบากเป็นอยู่เงี้ยพเนินเทินทึกขึ้นเรื่อยเป็นกุศลอยู่นี่มันเป็นเราเป็นของเราแท้แท แต่ใจในใจต้องแยบคายต้องท่องแท้ต้องทำออกทำออกทำออกทำออกสลัดขึ้นมันเป็นเราไม่เอาเป็นเรามันเป็นเราอย่าเอาเป็นเราอย่าถือเป็นเราอย่ายึดมันเป็นเราอย่าเป็นเราแหมมันภาษาพูดให้ฟังก็เป็นภาษาอย่างนี้แต่การทำคุณต้องไปทำเอาเองเหมือนพูดตลบตะแลงเหมือนพูดตอแหลวันนี้ไม่ใช่เราเราสุคตินี้ของเรา ความดี ก, การดําเนินบทบาทอิริยาบทบาทพฤติหรือกรรมนี้เป็นกุศลกรรมเราเราทําอยู่ไม่ได้หยุดยังยังขยันอยู่ด้วยทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกมันก็เป็นกรรมเป็นกิริยาเป็นเราเป็นของเราอยู่นั่นแหละกรรมสโกมหินั่นแหละเป็นของตนอยู่นั่นแหละแต่เราอย่าสําคัญมั่นหมายที่ใจของเราเองเท่านั้นอย่าสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราทําจริงๆนะไม่ใช่ว่าประประมาณ ขนาดทำจริงมันยังหลงตัวได้ง่ายเลยมันยึดถือเป็นเราจําไว้จดไว้ไปทํากับคนนี้ไปทากับคนนี้ทากับคนนี้จําไว้จดไว้เป็นของเราเสร็จแล้วไอ้คนนี้เราก็เคยช่วยมันเท่านั้นในคนนี้เราก็ช่วยมันเท่านี้มีบุญคุณเท่านั้นเท่านี้อัตตาก็ขึ้นมาหนักก็ขึ้นไม่ต้องไปจดไม่ต้องไปจาหรอกสัจจะคือสัจจะ จริงๆมันก็จําได้บ้างอยู่เลยถ้าเราเองสัญญาไม่เลอะเทอะเกินไปมันก็พอจําได้แต่ถึงแม้จําได้ก็ไม่ต้องมาถือยึดมาติดมายึดอยู่ว่าเป็นเราเป็นของเราเราดีเพราะงานใครเขาจะมาหลบลบหลู่ใครเขาจะมาอกตัญอูใครเขาจะไม่ตอบไม่แทนอะไรมันก็ไม่มีปัญหานี่ถ้าเราไม่ได้ยึดไม่ถือมันก็เลยไม่มีเศร้าไม่มีมองไม่มีน้อยใจเสียใจไม่มีธรรมดาใครก็จะอกตันอยูก็เรื่องของเขาความเลวของเขาเอง อาตมาถึงบอกว่าถ้าคุณสอนคนแล้วเขาก็ไม่ตอบแทนบุญคุณคุณคุณมีประโยชน์กับเขาแต่เขาก็ไม่ตอบแทนประโยชน์กับคุณไกระตันยูคุณมันไม่ใช่ความผิดของเขาคนเดียวความผิดของคุณคุณสอนเขายังไงสอนเขายังไงให้เขา ก, กระตันยูตัวเองอะ่ะสมน้ำหน้าตัวเองอะ่ะตัวเองตัวเองไม่มีความสามารถในสอนให้เขากระตันยูได้ใช่ไหมก็ตัวเองเท่านั้นเนี่ยเพรงั้นมันไม่ต้องไปโทษใครเขามากหรอก ไม่ต้องไปโทษใครเ้าหมดนะพยายามอ่านเราแก้ที่ตัวเราคนเรานี่นะถ้ายิ่งไปทวงบุญทวงคุณมันยิ่งคนมันก็ยิ่งไม่อยากให้พอยี่งไม่ทวงบุญไม่ทวงคุณเนี่ยยิ่งวิเศษยิ่งเลิศลอยยิ่งคนที่รู้เองว่าโอ๊ยคนนี้เนี่ยมีประโยชน์มีบุญคุณกับเรามากๆเน่ยแต่ท่านไม่เคยคิดจะเอากับเราเลยไม่เคยคิดจะทวงบุญทวงคุณอะไรกับเราเลยอะไรเลยมันยิ่งน่านับถือคนนั้นยิ่งจะนับถือใช่ไหม ยิ่งจะได้รับความนับถือยกจ้องนี่ภาวะมันซ้อ น, ซ, อนซ้อนอย่างเงี้ยมันยิ่งดีสัจจามันเป็นอย่างนี้นะเพราะงั้นเราก็ทําให้มันตรงกันแล้วกันทําให้มันถูกกันแล้วกันพิสูจน์สิพิสูจน์ดูยิ่งทําบุญทําคุณกับคนแล้วก็ยิ่งไม่ไปนั่งจํามิ่งไปนั่งเอามาพูดมาทวงมันอะไรเลยมันยิ่งละเอียดละเออบคนก็ยิ่งเคารพนับถือยิ่งบูชาขึ้นนี่เป็นสัจจ์ อาลาอัตมาคิดว่าได้เทศนาได้ขยายความสภาวะพวกนี้ฟังเพราะงั้นถ้าเราวันนี้ใครตาดีใครฟังแล้วได้ดีจะเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วเห็นของเรานี่แหละไม่ต้องไปเห็นที่ไหนเห็นได้มีสภาวะรองรับมีสิ่งที่รองรับจริงๆยิ่งชัดแจ้งอาการลิงคณิมิตตามอุเทศที่อัตมาได้สาธยายยกขึ้นมาแสดงให้ฟังนี้นะแล้วคุณก็เอาไปพิสูจน์ ปฏิบัติประพฤติไม่ว่าจะสัมผัสแต่ต้องอยู่ในหมู่เราหรือหมู่ข้างนอกก็เป็นบทฝึกขัดทั้งนั้นโดยเฉพาะหมู่พวกเรานี่แหละมันไม่น่าจะถือสามันไม่น่าจะมาโกรธเคืองมันไม่น่าจะมาชอบใจชอบไม่น่าจะไม่ชอบใจหรือไม่น่าจะเกลียดชังกันเลยเพราะวาพวกเรานี่ก็ต่างคนก็ต่างดีต่างคนก็ต่างพยายามฟังดีไฟดีแล้วกลับมาชังกันได้ข้างนอกก็กลับปล่อยให้เขาว่าได้ ข้างนอกเขาว่าเอาบ้างใช่ไม่ถือข้างในเรานีิคนดีกว่าคนคนข้างนอกแท้ๆว่ า, าบ้างถือแหมมันจะเอาอยัางไงกันแน่โอเนี่ยสั บ, ส, บสนไหมคนดีว่ากับถือคนไม่ดีเท่าได้ว่ากับปล่อยวางได้อมันมันยังไงกันแน่มัน <c oughs> เออคนดีกว่าว่าก็ น่ก็เอาเถนะคนดีกว่าว่ามันก็ยังดีอ่ะคนต่ํากว่าเรยังวางได้คนดีกว่าว่าก็วางให้มันได้บังสินะอะไรไม่อะไรแม้แต่อาตมาก็ยังไม่ยอมละเว้นว่าก็ไม่ได้เมื่อแล้วจะทํำยังไงกันแล้ว <c oughs> นะเอาละคิดว่าก็คงจะได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งเพิ่มเติมมากมายเพื่อจะเป็นปริยัตหรือเป็นความรอบรู้ที่จะเอาไปประกอบในการปฏิบัติ ให้เจริญจริงได้จริงขึ้นมาก็ขอให้ตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติประพฤติเพื่อพิสูจน์ธรรมพระพุทธเจ้าอาตมาเห็นว่าธรรมพระพุทธเจ้านี้จะเป็นไปด้วยดีจะเจริญไปอีกอาตมาว่าพวกคุณได้ได้เท่าที่อาตมามีญาณมีปัญญารู้นะพกคุณได้ธรรมะพวกนี้ได้มีแล้วไม่ใช่น้อยแต่ยังไม่มากพอไม่ใช่น้อยตรงที่ว่ามันเห็นชัดได้พอสมควร แต่มันยังไม่มากพอเหมือนคุณรู้ตัวเองว่าคุณเป็นพระอาหารหันแล้วยังอยังเห็นไหมเป็นอนาคายอย่างก็ยังต้องหลายขั้นหลายตอนคุณจะไม่ได้มากอะไรแร้วเพราะฉะั้นยังมีดีกว่านี้อีกยอดนักอาจจะต้องพากเพียรขึ้นไปอีกแต่ถ้าเข้ากระแสะแล้วมันก็เข้ากระแสะแล้วอย่าประมาท ถ, ถ้าคืนประมาทช้าที่พูดวันนี้เพื่อไม่ต้องการให้ช้าถ้าเราไม่รู้ประมาทวัตถุกติอย่างไรสุกติอย่างไรกําหนด ไม่แววไวไม่เกิดฌานที่แวววยมุทุภูต ธ, ธ, ธาตุไม่เร็วไม่ฝึกปล่อยให้ทุกติมันย่ำยีแล้วก็สั่งสมิบาไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆก็ซวยหนักไปเรื่อยๆสิต้องสร้างสุขติดําเนินไปดีในปัจจุบันทุกทีทุกทีทกทมีสติสัพปปจัญญาให้รู้รู้รดเนินไปได้นั่นแหละคือสวรรค์นรกที่ชัดเจนและคุณก็สั่งสมสวรรค์ที่แท้เป็นสวนรรค์ปรมาทัยด้วยเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพไม่ใช่สวรรค์สมุติเทพที่เสพสุโลกียะ ระเ ร, เริงใจอยู่ไม่เข้าเรื่องไม่เข้าราวนั่นไม่ใช่อันนี้เป็นสวรรค์ที่ดีที่แท้ันเป็นสวรรค์โล ก, กุตระอ่ะเอาละสำหรับวันนี้เอวัน